นอนไม่หลับอีกตามเคยเขากราวรอยๆต่อมาน้ำเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลลงบางทีจะเป็นเพราะฉันไม่ได้กินเลือดข้างผสมกับเหล้าโลงโอสถวิเศษขนาดนั้นของคุณกำมัง่งร่อนพูดเบาๆจอมพ่านหัวเราะเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมในการเดินทางระยะที่สองนี่สนุกดีคุณหญิงเคยใช้ชีวิตกราบกรามอย่างหนักมาก่อนแล้วหรือ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 นี่พวกคุณยังไม่นอนกันอีกหรือหล่อนพูดกับขาวด้วยเสียงปกติลงอีกสักประเดี๋ยวก็จะนอนเหมือนกันแหละครับแต่บังเอิญหิวก็เลยชวนพวกนั้นลุกขึ้นมาเกิดเคี่ยวซุปไว้ตั้งแต่หัวค่ําแล้วเพิ่งจะมาได้ที่เอาตอนเที่ยงคืนนี้เองคุณหญิงจะไม่ยอมทาลองดูบ้างหรือผมรับรองว่าจะหาฐานที่พัตคารใดๆในโลกนี้ไม่ได้เลยนอกจากพัตคารริมกองไฟที่โป่งกระทิงหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยยิ้มเจืริญ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 จะเป็นซุปสันวัวแดงหรือซุปหางเสือดาวอะไรก็ตามแต่เถอะรับรองว่าฉันไม่อาจียนออกมาแล้วให้มันรู้ไปว่าเสียรู้คณเจ้าเล่แสนคนแหมอยากต่อยหน้านักเชียวคนผีละพินกลั้นหัวเราะพยายามวางหน้าเฉยเป็นปกติหม่อมราชวงหญิงดาลินบน่นอุบอิบอยู่ในรำคอค้อนเขาาตาขุนตาเขียวเดินเข้ามาเอากระบวยตักลงไปในหม้อซุปควานหาเนื้อขึ้นมาพิจารณาดูเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัด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 ยาเมื่อรอนอยู่ในอารมณ์เช่นนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวหล่อนค้อนเขาอีกครั้งหนึ่งหมุนตัวขยับจะระกลับไปยังเต็นท์ทนใดนั้นเกิดจานและเสยก็เดินเข้ามากระซิกบกระซาบอะไรกับพรานใหญ่หล่อนชะ ง, งักด้วยความสงสยัยเดินตรงเข้ามาถามว่าอะไรมีอะไรหรือเป็ดป่าครับเกิดตอบหัวราะแฮ่แดาดินขมวดคิ้วอะไรเป็ดแถวนี้ก็มีด้วยเหรอ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 ถ้าจะยิงก็ต้องยิงด้วยลูกซองทั้า ง, งานรอเดี๋ยวนะฉันจะไปเอาลุกกรดมาให้แล้วจะไปดูด้วยดาลินบอกโดยเร็วอย่างกระตือรือร้อนพรานออกวิ่งกลับไปที่เต็นท์ก่อนที่ระพินจะทักท้วงเช่นไรอิดใ จ, จเดียวก็วิ่งกลับมาพร้อมกับปืนลูกกรดยาวกระบอกหนึ่งส่งให้ระพินเอ้าปืนแม่นมันอยู่ที่ไหนล่ะขอฉันไปดูด้วยคนจอมพรานจุ๊บปากเบาๆครงศีรษะคุณหญิงจะให้ยิงจริงๆนะหรือครับ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 คงปล่อยให้เกิดระพินและหม่อมระชวงหญิงดาลินไปกันเพียงสามคนผ่านกองไฟกองสุดท้ายอันเป็นบริเวณรอบนอกสุดของแคมป์เขาสู่ความมืดมิดราวกับแหวนรกรอบนอกเกิดผู้คนเดินอยู่นำหน้านำไปด้วยฝีเท้าเบากริบตามด่านได้เกล็ ก, ลกสองข้างทางเป็นพงเสือหมอบและสุมทุมพุ่มไม้อันขึ้นอยู่รกทึบโดยใช้แสงไฟฉายที่กดต่ำอยู่กับพื้น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 เพื่อให้หลอนกะระยะหญิงสาประทับปืนโดยการคำนวณว่าถ้าเขาฉายไฟหลอนก็จะต้องมองเห็นศูนย์ได้ในทันทีแล้วยักหน้าอีกครั้งจอมพรานฉายไฟปราดขึ้นสูงในบัตรนั้นแล้วฟาดต่ำลงมาด้วยความเร็วพอประมาณทับทิมเล็กๆประมาณเจ็ดแปดคู่ก็สะท้อนแสงไฟวูบวาบตอบมายังบริเวณใต้ผงออดิมจอมปลวกใหญ่ตอนหนึ่งบางคู่อยู่นิ่งกับที่ บางคู่ก็หลบวิ่งพลาดเข้าสุกพงอย่างจ้าละวันพร้อมกับที่ลำแสงค้นพบเป้าหมายเหล่านั้นจุดสองสองจักมารินโดยมือของหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยก็รั่นขึ้นอย่างทันทีทันควันเสียงของมันไม่ดังจนเกินไปนักพอนัดแรกรั่นหล่อนก็สลัดคานเวียงอย่างรวดเร็วยิงนัดที่สองและสามตามออกไปติดติดก่อนที่ดวงทัพทิมเหล่านั้นจะสุกหายเข้าไปในพงหมดเด็ดเลยครับนาะยหญิงโอ้โ h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 เกิดเดินบุกพงสวบสาบกลับออกมายิ้มร่าหิ้วเอาเจตจัดประเภทที่มีขนเป็นเกาะกำบังตนโดยมัดกับเถาวันมาด้วยสามตัวกองลงกับพื้นตรงหน้าของรพินและหญิงสาวนัดละตัวเลยนะครับขอมองทั้งนั้นดาลินยิ้มตื่นตื่นร้องออกมาอยู่ทั้งสามตัวเลยเหรอฉันคิดว่าไม่ถูกสักตัวเสียอีกฟลุกจริงรพินภัยวันชมเลืองมองดูน้องสาวคนสวยของนายจ้างด้วยความพอใจอยู่อย่างเงียบ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 เชืถากับชัยยานยังคงรับสนิทอยู่เช่นนั้นเสียงลุกกดทั้งสามนัดไม่ทำให้ทั้งสองรู้สึกตัวเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งที่ยิงเม่นเป็นบริเวณอยู่ใต้ดมพวกนั้นเมื่อจัดการโตรกหนังเสร็จเรียบร้อยก็พาแบกออกตัดไม้ภผ่แผ่เป็นตับขึงย่างไฟกันเลยพอไฟเรียน้ำตกกลิ่นเนื้อเม่นย่างก็เริ่มหอมหวนชวนชิมดารินนั่งบนขอนไม้อปืนผ้าตักเท้าคางมองดูด้วยอารมณ์สนุก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 ใช่จริงๆนะเหรออะไรกันเนื้อช้างพรานใหญ่หัวเราะอ้าวนี่แหละเห็นไหมมันเป็นความโง่อย่างมีเกียรติยิ่งของชาวกรุงที่หารู้ไม่ว่าถูกชาวป่าหรืออย่างที่เรียกกันว่าคนดงหลอกเอาเช่นไรบ้างคุณหญิงลองถามเกิดเสยหรือจานที่นั่งอยู่นี่ก็ได้ครับว่าปีหนึ่งหนึ่งขาล้มช้างเอาเนื้อทาเค็มเอาน้ามันมาเคี่ยวแล้วส่งไปขายให้แกพ่อค้าหัวแหลมในกรุงเทพปีรัเท่าไหร่บ้าง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 หล่อนยิ่งงงจัดเก้งเทศบาลนคร ก, กรุงเทพอะไรกันอ้าวอีเก้งประเภทที่ร้องเองแทนที่จะร้องเป๊กนะสิครับเก่งที่กินเศษอาหารหาวหอนวิ่งอยู่ตามถนนในกรุงเทพตามลานวัดแทนที่จะเล็มใบหญ้าใบม้าอยู่ตามป่าดงพงพายหม่อมราชวงดาลินคิดอึดใจเดียวก็หัวเราะคิกแล้วปั่นหน้าบึ้งโดยเร็วเอาก้อนหินเล็กๆคว้างมายังจอมพรานร้องเบาๆ บ, บ, บ้ามีอย่างเหรอ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 บังเอิญร้านไหนที่ผมเข้าไปสั่งแล้วเกิดเอาเนื้อเก้งกวางให้ผมจริงๆก็ต้องนับว่าผมถูกกลอกลวงอย่างจังทีเดียวแล้วก็ดูเหมือนแทบจะไม่เคยถูกหลอกอย่างว่านั่นสักทีหญิงสาวร้องบ้าออมาอีกคำเดียวก็สะบัดก้นลุกขึ้นพระเดินกลับเข้าไปในกระโจมโดยเร็วปล่อยให้รพินยืนหัวรอกกึกกึกมองตามหลังไปจนรับตานายหญิงน้องสาวของนายผู้ชายสวยมากนะครับยังกะนางฟ้า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 นอกนั้นเป็นความเงียบพรานคู่ใจของเขาทั้งสามหลับเป็นตายพเพราะเล่าขาวกับเนื้อเม่นย่างที่สวาปามกันเข้าไปอย่างจระเมื่อตอนเที่ยงคืนที่ขอนไม้หน้ากระโจมนายจ้างไม่มีร่างของแงส่สะยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูควรจะเกิดมาเป็นผู้ชายแต่ธรรมชาติบังคับให้ฉันต้องเป็นผู้หิภายในอนาณาบริเวณเขตของแคมป์เลยจากสายตาที่กวาดค้นหาไหวตัวและหนีไปเสียก่อนเปล่า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 รถผินคว้าจุดสามเจห้าขึ้นมาขยับรูกลื่อนสํารวจดู ก, กระสุนในรางเพลิงอีกมือหนึ่งหยิบไฟฉายค่อยๆลุกขึ้นอย่างแผ่วเบาสายตาเฉียบวัยกราดไปทั่วนับจํานวนรูขาบที่นอนกันอยู่เป็นหย่อมหย่อมและพรานของเขาทุกคนอยู่คนครบจํานวนเรียบร้อยดีขาดหายแต่งแง่ายเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วก็เคลื่อนด้วยฝีเท้าเบากริบตรงเข้าไปที่กระโจมพักนายจ้างค่อยคแหว่กระโจมเข้าไปท่ามกลางแสงตะเกียงเจ้าพายุ ที่จุดสว่างไว้ตลอดทั้งคืนคณะในจ้างของเขาทั้งสามคนคงนอนอยู่บนเตียงสนามภายใต้มุ้งคลุมเป็นปกติดีทุกคนหลับสนิทแต่ไม่มีเงาของแง่ท า, ายในนั้นเขาถอยออกมาช้าๆอีกครั้งหันหน้าออกไปยังราวป่าใหญ่คิ้วขมวดคลุ้นคลิดและทันใดก็ได้ยินเสียงควายทางด้านตะวันตกของบริเวณแคมป์สบัดขาทาเสียงฟืดฟาดอีกครั้งจากแสงจางๆของกองไฟที่ริบรียุ่นนั้น มองเห็นมันแงนเบิงและเต้นเหาะไปมาอย่างกระสับกระส่ายพยายามจะดึงเชือกร้อยจมูกที่ผูกล่ามติดไว้กับต้นมะข่าจนตึงมีอาการเหมือนจักกระชากให้ขาดอีกสองตัวที่ผูกห่างกันออกไปประมาณ20บเมตรก็มีอาการคล้ายๆกันลักษณะที่เห็นอยู่นี้พรานใหญ่อย่างเขาบอกได้ในทันทีว่านั่นคือการย่างกายเข้ามาใกล้ของเจ้าป่าถ้าไม่รายพาดก่อนก็จะดาวอย่างไม่มีปัญหา ลมดึกโชยริ้วมาวูบหนึ่งกลิ่นสาบของมันยิ่งฟ้องชัดแต่แง่ท า, ายไปไหนเขาย่องตรงไปที่ต้นมะข่าต้นนั้นอย่างช้าๆหูเงียสดับจับเสียงทุกเสียงที่จะเกิดขึ้นอย่างพิเคไฟฉายและไหลเฟิร์นพร้อมอยู่ในมือมาหยุดอยู่ที่หินก้อนนะัก้อนหนึ่งนับบัดนี้มันเป็นความเงียบอย่างประหลาดจักรจันเรไรและตุ๊กแกที่จะต้องร้องอยู่เป็นประจำ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 แล้วแกคิดว่ายังไงเมื่อปีเศษร่วง ม, มาแล้วผมรับจ้างฝรั่งสองคนที่มาพร้อมกับนั ก, าากล่าสัตว์ชาวกรุงอีกสามคนพาเที่ยวอยู่ในป่าแถบห้วยเสือร้องคืนหนึ่งผมตื่นขึ้นด้วยลักษณะผิดปกติเหมือนเช่นที่เราพบอยู่ในขณะนี้ไม่มีผิดช้างโขลงหนึ่งเอาโคลนพอกตัวมันเสียเพื่อจะดับกลิ่นสาบแล้วก็ยกโขลงเงียบขึ้นมาที่ปางพักของพวกเรา